เรื่องสอบเป็นยังไงบ้างละ่ะไอ้หนูพอจะผ่านกับเขาหรือเปล่ายายถามเมื่อหลานชายกลับถึงบ้านมือชั้นนี้แล้วถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะว่ายังไงหนุ่มน้อยทำโอจะว่ายังไงนอกจากว่างโง่เพราะทัาฉลาต้องสอบผ่านไม่จริงเสมอไปหรอกยาย คนโง่ที่สอบได้และคนฉลัดที่สอบตกก็มีอย่างผมเนี่ยถ้าสอบตกก็จัดอยู่ในประเภทหลังจะหลังรุอจหน้าก็ขอให้สอบผ่านเถอะถ้าตกซ้ำชั้นอีกยายคงอายเขาแย่อายทำไมเล้วยายผมยังไม่อายดีซะอีกเรียนซ้ำชั้นน่ะความรู้จะได้แน่น คนพูดมองโลกในแง่ดีแน่นเกินไปมันก็ไม่ใช่ดีนะหลานเพราะเวลาจะเอามาใช้ก็แค่ไม่ออกเสร็จแล้วยายว่าเอาแต่พอดีดีกว่าพระพุทธเจ้าทัานสอนให้เดินสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ยายเริ่มเทศยายผมจะไปหารับจ้างเขาทํางานผมอยากมีเงินเก็บส่วนตัวอยากได้อะไรจะได้ซื้อโดยไม่ต้องขอยายหนุ่มน้อยเปลี่ยนเรื่องพูดด้วยคร้านที่จะฟังยายเทศเองจะไปทําอะไรอะไรผมก็ทําได้ทั้งนั้นเช่นรับจ้างทําปีพาดเวลาเขามีงานแล้วก็รับจ้างเลี้ยงเป็ด พรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียนอีกถ้าสอบผ่านก็แปลว่าผมออกจากโรงเรียนนี้แต่ถึงไม่ผ่านเองก็ได้ออกอยู่ดีครูใหญ่ก็บอกยายว่าให้เองเรียนได้ปีเดียวเท่านั้นจําไม่ได้แล้วหรือยายพูดขัดขึ้นทำไมจะไม่ได้ละยาย ก็ยายพูดย้ำอยู่บ่อยๆไอ้หนูที่จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแห่งเอ็งก็เรียนมาหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าสอบตกคราวนี้ก็ไม่เอ็งวนรอบสองหรอกนะเขาเรียนเสียงพูดของยายคนอายุเจ็ดรอบคอนให้หนึ่งวงแล้วว่าก็หรือไม่จริงล่ะเอ็งหาว่ายายพูดปดเงินหรือ จริงนะมันจริงหรอกยายแต่ไอการพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะ่ะมันแสลงใจผมความจริงบางอย่างผมก็ไม่ชอบฟังสักเท่าไหร่เพราะมันทำให้ใจเศร้าหมองเอาละ่ะงั้นยายก็จะเลิกพูดเป็นอันว่าเองจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเองก็ต้องไปเรียนต่อที่บางกอกอยู่ดีวัดแต่ว่า เองอยากเรียนอะไรล่ะหนุ่มน้อยตอบทันทีว่าผมอยากเรียนดนตรีไทยเรียนให้เก่งหมดทุกอย่างทั้งดีดสีตีเป่าเองก็เรียนกับครูสมใจเป็นหมดแล้วไม่ใช่หรือแต่มันแค่ระดับประถมเท่านั้นแหละยายผมอยากให้เก่งกว่านี้ขนาดเป็นหัวหน้าวงได้สอนคนอื่นก็ได้ที่บางกอกเขาว่ามีครูชื่อดังอยู่หลายคน ผมอยากไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หนุ่มเจริญบอกกล่าวสิ่งที่เขาใฝ่ฝันจะไหวหรือยายหมายถึงว่าจะสู้ข่าเรียนไหวหรือเปล่าเงินทองเรามีจำกัดเข้าว่าที่บางกอกอะไรอะไรก่อแพงเกิดเงินหมดจะว่ายังไงไม่หมดหรอกครับยาย เงินทองเรามีเยอะแยะที่ฝังดินไว้ก็ตั้งสองหายประโยคหลังเขาพูดไม่เต็มเสียงนะักด้วยรู้อยู่แก่ใจว่าบัตรนี้มันได้อันตรทานไปแล้วแต่ถ้าไม่จำเป็นยายก็จะไม่เอาออกมาใช้จะเก็บไว้เป็นสมบัติของหลูกหลานเอ็งจำไว้นะไอ้หนูทาไมอด ตายจริงๆก็อย่าขายสมบัติของปูย่ยาตาทวดเขาไม่นิยมเอามาขายกินใครขายสมบัติเก่ากินเขาว่าจะอับจนธรรมาหากินใหม่ขึ้นถ้าจะให้ธรรมาค้าขึ้นต้องหามาเพิ่มแต่ถ้าขโมยมันมาลักเอาไปลยาย เราลองไปดูกันไม่ว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเข้าออกอุบายรู้สึกรำคาญที่ยายพูดวกวนตามประษา ค, คนแก่ดูทำไมก็มียายกับเอ็งเพียงสองคนที่รู้คนอื่นจะมารู้ได้ยังไงหรือว่าเอ็งปากสว่างเที่ยวไปบอกใครต่อใครยาย ผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกอย่าดูถูกหลานตัวเองไปหน่อยเลยหนุ่มเจริญเริ่มจะไม่พอใจเอาละเอาล่ ะ, อ, ละอย่าบัวมาพูดให้มากเรื่องไปทำหน้าที่ได้แล้วทำให้เสร็จเร็วๆละ่ะจะได้อ่านหนังสือพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายไม่ใช่หรือครับว่าแต่ว่า ยายไม่ลงไปดูนะครับผมว่าน่าจะไปดูสักหน่อยว่ามันยังอยู่หรือว่าหายไปแล้วจังมันเถอะหลานถ้ามันหายไปอย่างที่เองวิตกก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นไม่ใช่ของเราแต่เป็นของเรามันต้องอยู่คิดอย่างนี้จะได้สบายใจเมื่อคนเป็นยายพูดมาอย่างนี้ คนเป็นหลานจึงจำต้องนิ่งเอาล่ะไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเรียมทำหน้าที่ได้แล้วหลานชายจึงลุกออกไปยังว่าง่ายแม้ยังค้างใจเรื่องไหสมบัติสอบวิชาสุดท้ายเสร็จหนุ่มเจริญไม่ยอมไปร่วมฉลองความสำเร็จตามคำชักชวนของเพื่อน ว่าที่จริงแล้วพวกที่เรียนอยู่ด้วยกันนี้หาใช่เพื่อนไม่ทว่าเป็นรุ่นน้องเพราะเขาสอบตกซ้ำชั้นแล้วก็โยกย้ายโรงเรียนบ่อยจึงไม่ได้พบพานเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือ ว, ว่าคนพวกนั้นต่างก็เรียนจบไปหมดหรือไม่ก็ออกตั้งแต่จบป .4 คงมีหนุ่มกันเทียงกับหนุ่มจำรัดเท่านั้นที่จับพลัดจับผลูกมาอยู่โรงเรียนเดียวกันอีกแถมตกซ้าชั้นเหมือนกันซสด้วย เลยได้เป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันต่อไปมิตรภาพของคนทั้งสาม้งนนั้นแฟนยั่งยืนและอาจจะยาวนานไปจนถึงชาติหน้าก็ได้ใครจะรู้เกิดสอบผานเองจะเรียนต่อที่ไหนอกีกหนุ่มกันเชียงถามขณะเดินออกจากโรงเรียนส่วนหนุ่มจำรัดใจอ่อนยอมให้เพื่อนรุ่นน้องพาไปฉลองกันก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากพากันไปยิงนกตกปลา าประวัยรุนยายบอกจะส่งข้าไปเรียนที่บางกอกหนุ่มเจริญตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยินดีอินร้ายไปอยู่กับใครเองมีญาติอยู่ที่นั่นหรือหนุ่มวัยเดียวกันถามตัวเขามีญาติห่างๆบวชอยู่ที่วัดสระเกศคุณปู่ข้าชื่อหลวงทาราบ้านอยู่จังหวัดทนบุรีใกล้ๆกับบางกอกพ่อคองส่งข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วเองละ่ะ ข้ายังไม่รู้อนาคตเลยใจก็อยากเรียนแต่แม่คาดจนไม่รวยเหมือนยายเองวาสนาของข้าอย่างดีก็แค่ไปอาศัยวัดอยู่พ่อว่ามีญาติห่างๆบวชอยู่ที่วัดสะเกดแล้วเจ้าจุกละ่ะมันจะเรียนต่อหรือเปล่าเข้าหมายถึงหนุ่มจำรัดกงไม่แล้วมัง้งเห็นว่าจะรีบทํางานหาเงินไว้แต่งนางมะลิเป็นลูกเขยใครไม่เป็นมาเป็นลูกเขยยายเมาส์ข้าไม่เอาด้วยหรอก ขี่คราสทะเลาะ ก, กับแม่ยายแล้วเองละ่ะถ้าไปเรียนบางกอกไม่ห่วงนางมวยหรือไงเขาคงไม่ชอบคาร์ลได้ยินว่าเตียจะให้แต่งงานกับคนจีนด้วยกันแกว่าคนจีนขยันขันแข็งคนไทยขี้เกียจหลังยาวข้าค่อยไปหาออดับหน้าสาวบางกอกมีเป็นกระชุกกระชุกว่าแต่เองเธอะรักใครชอบใครบ้างหรือยังไม่เห็นสนใจใครสักคนชาตินี้ข้าจะไม่แต่งงานเป็นอันขาด พูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวจริงจังทำไมละ่ะหรือว่าเองเกลียดผู้หญิงข้าไม่เคยเกลียดผู้หญิงงั้นเองก็เกลียดผู้หญิงคงมีคนทำให้เองอกหักเปล่าข้าไม่เคยอกหักงั้นเองก็ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตหนุ่มกันเชียงเดาอีกข้าเกลียดพระพูดเสียงหนักแน่นข้าขี้เกียจเดาแล้วเองฉเฉลยมาดีกว่าว่า ทำไมถึงจะไม่แต่งงานข้าสงสารผู้หญิงไม่อยากทำให้เขาลาบากตั้งแต่ข้าทาคลอดให้พี่สาวคราวนั้นข้าก็ได้เห็นความทุกข์แสนสาหัส ข, ของผู้หญิงตอนคลอดลูกก็เลยไม่อยากแต่งไม่อยากทำให้ผู้หญิงคนไหนต้องมาทุกข์เพราะข้าหนุ่มน้อยชี้แจงแถลงไขเองนี่คิดอะไรพิลึกพิลึ ก, ลกถึงเองจะไม่แต่งงานก็ใช่ว่าผู้ผู้หญิงจะเลิอกออกลูกนี่นาะอย่าไปคิดมากเลยว่า เรื่องของธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะหนุ่มกันเชียงว่าสองหนุ่มน้อยเดินมาถึงทางแยกหนุ่มเจริญพูดขึ้นว่าแล้วพบกันนะเพื่อนเอ็งไม่กลับบ้านหรือฝ่ายนั้นถามด้วยว่าบ้านของคนทั้งสองไปทางเดียวกันข้าจะไปตลาดหาซื้อขนมไปเยี่ยมแม่หน่อยตั้งแต่ทาหน้าที่หมอตแยจําเป็นคราวนั้นแล้วข้ารักแม่ขึ้นอกโค สงสารที่แกต้องผ่านความทุกข์แสนสาหัสมาตั้งสิบครั้งสิบหนงั้นก็นไปเถอะนมกันเชียงว่าครั้นแยกกันแล้วเขาจึงแอบค่อนในใจจะหมอนี่ถาทางจะบ้าคิดอะไรไม่เหมือนมนุษย์มานาเขาแม่จวนดีใจทุกครั้งที่ลูกชายคนเล็กมาเยี่ยม ตั้งแต่งานเทศมหาชาติที่บ้านยายคราวนั้นลูกชายก็ไปมาหาสู่บ่อยขึ้นด้วยเข้าอกเข้าใจกันดีแล้ววันนี้เขาซื้อขนมกระทงทองที่แม่จวนชอบนักชอบหนามมาฝากเราหน้าคราวหลังไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากแม่รอกแค่เอ็งมาแม่ก็ดีใจแล้วแม่จวนพูดอย่างเกรงใจ ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ น, น, นานๆผมจะได้ตอบแทนบุญคุณสักครั้งหนึ่งพ่อไปไหนละครับเขาถามหาบิดาไปบ้านครูสมใจแนะจะไปติดต่อวงนนดนตรีมาเล่นงานแต่งนางจำเรียงพี่จำเรียงจะแต่งกับใครครับชื่อพ่อพุทธลูกผู้ใหญ่ทรงเองมาก็ดีแล้วจะได้บอกยายมางานด้วยเมื่อไรครับ ขึ้นสิบสองค่าเดือนสี่แม่ว่าจะไปบอกยายเองอยู่เที่ยวตอนนี้ยายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะแม่คงเดินมาไม่ไหวแม่ให้ใครเอาเกวียนไปรับมานะครับงั้นก็จะให้ทีศสอนไปรับแม่จวนหมายถึงลูกเขยคนโตแม่ครับยายจะส่งผมไปเรียนหนังสือที่บางกอกหนุ่มน้อยบอกมารดาดีลูก จะได้เป็นเจ้าคนานายคนจะไปเมื่อไหรละ่ะคงอีกสักสามเดือนเป็นอย่างช้าต้องรอฟังผลที่โรงเรียนนี้ก่อนเขาไม่ได้บอกมารดาว่าถึงสอบตกยายก็จะส่งไปเรียนซ้ำชั้นที่บางกอกเพราะไม่มีโรงเรียนไหนในจังหวัดสิงห์บุรีจะรับเขาเข้าเรียนรอบสองงั้นต่อไปนี้แม่จะมันไปเยี่ยมเอง แล้วเองก็มันมาเยี่ยมแม่บางก็แล้วกันไปอยู่บางกอกแม่คงคิดถึงแย่อีกหลายปีกว่าจะได้กลับมาเจอกันแม่จวนพูดหน้าเศร้าช่วงที่ผมไปเรียนที่บางกอกใครจะไปอยู่เป็นเพื่อนยายครับหนุ่มน้อยห่วงคนเป็นยายคงจะให้นั่งจำแรงไปช่วยดูแลเองไม่ต้องห่วงหรอก ยายเขาเป็นแม่ของแม่ยังไงยังไงแม่ก็ไม่ทิ้งให้เขาต้องลาบากลาบนหลอกหนาและแม่ต้องหมันไปเยี่ยมยายนะครับแม่จะไปทุกวันโกนวันพระเลยอิงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบเร็วๆก่อนแล้วกันแม่จวนปลอบใจลูกคุยกับมารดาจนได้เวลาอันสมควรแล้ว หนุ่มน้อยจึงลากลับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะเริ่มทํางานหาเงินไว้ใช้ส่วนตัวแม่ครับผมเห็นจะต้องกลับเพราะต้องรีบไปทํางานผมไปรับจ้างเาเลี้ยงเป็ดครับหนุ่มเจริญบอกมารดารับจ้างใครละ่ตะตาแปะทรงที่อยู่ท้ายตลาดครับแกให้ไปงมหอยพวกหอยโขงหอยขมเอามาทุบให้เป็ดกิน แกว่าถ้าให้มันกินแต่พวกราและข้าเปลือกไข่มันไม่แดงแต่ถ้าให้มันกินหอยไข่มันแดงขายได้ราคาแกเลยลงทุนจ้างผมไปหาหอยมาให้มันกินค่าจ้างวันละตั้งห้าสิบสตางค์นะครับแต่มันบาปนะลูกเองต้องฆ่าชีวิตเขาวันละเป็นร้อยเป็นพันเพื่อแลกกับเงินแม่ว่า หางานอื่นที่มันไม่ต้องทำบาปไม่ได้หรือครับผมก็คิดอย่างนั้นเขาพูดเอาใจมารดาหากใจนั้นคิดว่ามันจะบ่งจะบาปอะไรล่ะครับแม่ใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นมูวแต่กลัวบาปก็ไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีแล้วนี่ยายเอ็งเขารู้หรือเปล่ารู้ครับผมบอกว่าจะไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดแต่ไม่ได้บอกว่า ต้องทุบหอยให้มันกินขืนบอกยายไม่ยอมให้ทําแน่เพราะยายเข้มงวดเรื่องนี้มากแม่อย่าบอกยายนะครับเขาขอร้องตกลงไม่บอกก็ได้ถ้าเขาไม่ถามแม่จวนรับคําหากก็มีเงื่อนไขงั้นผมลาละครับเขายกมือไหว้ามารดาแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังท้ายตลาดไปถึงก็บอกตะแปะซงว่า ตะแปะอัวมารับจ้างทำงานงางหาเหวอาลายมาเอาเย็งปังนี้ไม่รอให้มึกแล้วค่อยมาละ่ะตะแปะส่งประชดก็อ้วพึ่งสอบเสร็จแล้วก็รีบมานี่แหละเอาเถอะอ้อจะทำเดี๋ยวนี้เอากระแตงมาสิโน่งอยู่ข้างองน้ำาหนกหรือต้องเก็บมาให้เต็มกาแตงนาไม่งั้งอัวหักขาดจัง เออน่ะแม้ลือนี่เข็มจริงๆนะตาแปะน่าจะไปขายเกลือจะเหมาะกว่าเขาต่อว่าอย่าพูหมากบาเลวอ้วใไม่จ่างน่ะคงอึงมีทงเทไม่พูดก็ได้อ้วไปละหนุ่มน้อยคว้ากระแตงเหล็กใบเรื่องแล้วเดินไปหนองน้ำถอดสื้อนักเรียนออกเอามาพกศีรษะแทนเขาคงมีโชคในเรื่องปานาติบาศ เพราะชั่วครู่เดียวก็ถือกระแต่งกลับมามีหอยโขง่งหอยขมเต็มภาชนะใบนั้นเอาตะแปะดูสินี่เต็มกระแต่งเลยจะให้ไปทุบตรงไหนล่ะนงน่าแล้วเปกนงเอาหิงทุบห้แตกแล้วยงให้เปกกิง เขาหี้ยภาชนะบรรจุหอยเต็มไปที่เล้าเป็ดจัดการตามที่ตะแปะสั่งและสมองอันเฉียบวหวก็มองเห็นทางโกงตะแปะนั่นคือพรุ่งนี้เขาจะเอาดินและโคลนใส่ลงไปที่ก้นกระแตงแล้วค่อยเก็บหอยใส่จะได้เต็ม เ, เร็วๆเขาก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นคือจะได้ทำบาปน้อยลง ราแทนที่จะค่าหอยหนึ่งกระแต่งเต็มๆก็จะค่าแค่ครึ่งกระแตง่งเมื่อเทหอยออกเขาเห็นหอยโข่งตัวหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าเพื่อนจึงหยิบมาดูอย่างพินิษฐ์พิเคราะห์ทำไมเจ้าตัวนี้มันถึงได้ใหญ่กว่าเพื่อนนะสงสัยคงจะเป็นปูหอยหรือทวดหอยถ้าเราทุบซะมันก็จะไม่ได้เป็นปู่เป็นทวดอีกต่อไป เอาละเราจะไว้ชีวิตสักตัวหนึ่งดูสิว่ามันจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่คิดได้ดังนี้จึงแยกหอยตัวนั้นไว้ต่างหากจัดการทุบตัวอื่นๆให้เป็ดกินครบทุกตัวจากนั้นจึงจับเจ้าตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อนมาใช้ตะปูเขียนที่เปลึกของมันว่าเจริญจรุนรัดวงเล็บในแกละและเดินไปรับค่าจ้างจากตะแปะ นั่งอาไลยในมือลือหนังน่งหนะตะแปะทักเมื่อเห็นเขาถือหอยอยู่ในมือปูหอยอ้วจะเอามันไปปล่อยปล่อยทำลายอ้วไม่หลยจ่างลือเก็บหอยไปปล่อยแต่เก็บมาห้ายเปกอ้วกิงเอาไปทุบเหลียวนใไม่งั่งอ้วหักขาจางหนุ่มน้อยรู้สึกโกรธจึงว่าอ้วไม่ทุบแล้วอ้วก็จะเอาค่าจ้างลือด้วย เห็นว่าเด็กกว่าจะโกงกันเรื่องไงพวกลีลีนะอ้วใไม่หลายโกงแต่เลือผิกสังยาเองแต่อวดทุบไม่ได้เพราะเขียนชื่อลงไปแล้วนี่ไงเขาชี้ให้ดูชื่อที่เปลือกหอยถายางงังลื้อไปหาตัวอึงมาอีกยี่สิบตัวเพราะตัวนี้มั่งใหญ่กว่าตัวอึงยี่สิบเท่าสิบเท่าต่างหาก หรืหนิเค็มยิ่งกว่าเกลือแกงอีกนะ่ะอย่าพาูดมักไปงมมาอีกยี่สิบตัวแล้วอ้วจะจ่ายให้หลึห้าสิบตังหนุ่มน้อยจึงต้องทำตามที่นายจ้างสั่งเขานำปูหอยไปปล่อยที่หนองน้ำแล้วงมตัวอื่นๆมาอีกยี่สิบตัวหลอบใจตัวเองว่าไอ้แปะขี้งกพรุ่งนี้เถอะข้าจะแก้แค้นเองพรุ่งนี้ ข้าจะใส่ดินลงไปครึ่งกระแตงแล้วจะได้เงินห้าสิบสตางค์ยังไงยังไงเองก็โง่กว่าข้าแล้ววะ